พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่าแม่เจ้าดิฉันต้องทำคือปาทิเทศนียะเป็นธรรมที่น่าตีเตียนไม่เป็นสัพพายะดิฉันขอแสดงคืนธรรมนั้นสีค่คาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุณีชะพคีจบ